นี่คลิกออกจากธรรมงนั้นด้วยธีความรู้สึกเราควรคิดที่งเราเป็นครับเป็นผู้สนใจต่อความมีความฉลาดยิ่งสัตว์เราควรหาความรู้ความฉลาดมาสู่เราเพื่อความเป็นเหตุผและตอบคนโดยกันให้มีความรู้สึกนั่นช่วยมหฉลาดสมบูรณ์มนุษย์ทลายผักซีและตัวเองผักซีคือจุติเสียงซีสัต ตัวเองหมายถึงคิดใจที่ครับความคิดความคิดมากมายตัวเองสร้างตัวเองทุกวันทักวเราไม่สร้าในขณะนี้กั็สร้างอยู่เอาย่นนะนะิบัติครับสร้างโดยอารมณ์่วนหน้าีตคคิดทาลายตัวเองมากยิ่งกว่าชะคิดส่งเสมตัวเองที่เหลือมัดออไปมัน้องย่างนั้นสินะผูบัติ้องคิดแยกหน้าแยกหลังย้อนหน้าย้อนหลังแม้นั้นก็แกตัวเองได้บาวิธีที่ แต่วเองาบเรื่องความคิดของโล ก, กงหลายขึ้นมีอยู่แล้วดังโดยความคิดแต่เาไม่ท่าบเราไม่ใช่เราคิดไม่ช่กัญญาเราเอวิชาเกิดวิชาด้วยมาใช้ไม่มีหัวชั้นหัวดูววความคิดคมันก็เลยสวนีชคิดเป็นมนเต็มความสา ม, มารถทุกงแหน่ทุงง่มุงใตอนที่คิดดังตัวเองเดียดเ๋ยวเราคงจะเหละคเหมือนกัน ส, สือซอกแตกติดแท๊กพลิกน้าซิหลังไม่งั้นมันไม่ทั น, นคิดไปถึงเรื่องของโลกเลยแล้วโอ้มันละอาบกันมันมันทำให้อ่อดใจต้องการผลิตแต่เมื่มันเพ่งเข็มความต้องการต่อการความสุขต้อมไปเล่นด้วยกันแล้วนั้นแต่การปฏิบัติตัวนี่ไปตรงข้ามมีแต่ความมัก ง, ง่ายออกหน้าออกตาความอย่างไม่ไม่อาย <c oughs> ออกจนชินชาจนด้านในใจในกิริยามายาัยะมันด้านทังหมดเพราะความเคยชิ น, นรเรามนุษย์เราให้ดีได้ยังไงเมื่อมันถึงขนาดด้านแล้วเคยชิ น, นจนด้านการปฏิบัติธรรมมันจ ะ, จะด้านมันจะชินนะระวังดีถ้าความมุงมันมีอยู่ ศรัทธาคนเชื่อคนใสยความมุ่งมั่น็นอกผลนิพพานไม่อยู่มันค่อยได้แล้วมันค่อยลืมตัวพอความรู้สึกตัวนี้มันค่อยเชื่อนชาลงไปขนาทนี่มันจะขึ้นมาวิริยมันจะพอบคลุมขึ้นทางใจทมันก็ได้ ถ้าด้านลงไปสอนไม่ลงนะเจ้าของมันม่สนใจจะสอนเจ้าของคนอื่นมาแตะต้องมาได้ทีนี่เป็นผีกันเลยมีระวังตอนนี้เป็นนั้นอันนี้มีมาเรื่อยๆมันจะมีมาถัดนั้นมีมาถัดนั้นตลอดเราจะเป็นนักพิณิพิจนาพ้นแก้จริงเหล่านี้เป็ตัวเองแล้วต้องทราบต้องจิตนี้มีอยู่ของเราทุกคน เราอยังเข้าเขาเขาไม่ได้เพาะกลัวเขาเบียดเราก็พวกเราเข้าเข้ากับตัวเราไม่ไหนเข้าความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนเข้าไม่ได้แบบขาดขาดเคยขาดตาเต็มมันหาจะเรื่องคว<ม>ามทำลายตัวเอง<ม>ให้มันบกพร่องเสมอเสมอ ม, มันจะเป็น ม, มนุษย์ได้งไง สติมันก็มีถูกความเพินไปกิมดความะมเอาไปกินมดปัญญาก็มีความขี้เกียจข้เอาไปกินมดความขยันมันเพียมัีเพรเอาทิ้งมันนดมันจอาจิทำไปหมดอาหารปฏิบัติร่วลบาก เมื่อสิ่เงเนี้มันแซงหน้าหรือออกหน้าอยู่เสมอไม่เคยอยู่ข้างหลังเราเลยต้องมีความเข้มแข็งผมอยากพบอยากเห็นความขยันหมั่นเพียรของอุเบกความอจหานต่อความาา ว, ะวะัดปฏิบัติต่อความภาพเปลี่ยนทุกด้านต่อนาทีของตัวให้สมกับเจตน า, าตัวที่มุ่งมาเพืบุญเพื่อบุญลนจากการบวย เราไม่อยากพบเจะถึงความอ่อนแอความข้อแแอะความขี้เกียจขี้คลานความมักง่ายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่งศาสนาเป็นภัยต่อศาสนาศาสนาต่อหนิสิ่งเหล่านี้เองแล้วที่จะกลับสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ขัดแย้งกับศาสนาก็ข้อขับทําลายศาสนาโดยที่ไม่รู้จุดตัวว่าทำลายหาที่แย่งไม่น่ะคําสอนของพระพุทธเจ้า ละเอียดรอสุดขีดสุดดงเขาพระองค์มึพูดละเลอียดรอข้าชาติก็เป็นกษัตริย์ถ้าอกัจจิยาทุกอาการเป็นสิ่งที่เรืรงุคคลทรมมาแล้วโดยดีแล้มอปฏิบัติก็ไกรคลองอัดทังจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ด้วยความละเมอียดละออความคุ้มคุ้มความเพรียลาพาของกระปิปัญญาศรัทธาขอเกี่ยงความสามารถทุกด้านมีควา ม, มละเอียดละออประตำต่างกันนี่เลยซึ่งเป็นของอยากผมก็ทนอยู่ไม่ได้ไต้องดุดลอยออกไปดิบลอยออกไปเพราะความละเมอียดีะอแล้วคมของมโกรทดแตรตกสางนิทราล้างอยู่เสมอนสมจนกลายเป็นธรรมชาติสุบุรุษสิ่งอยอยากทั้งหลมันเข้ากับสิ่ันนี้ไม่ได้มันก็ถอยตัวนไป ยังหายตะหมกจนไม่มีอะไเหลื อ, อ น, นี้ปรากฏพระองค์ท่านขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้อระดับสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาศาสนาที่ทรงนํามาประกาศแก่โลกจึงทรงนํามาจากความที่ได้ฉลาดแสลมคมความมือสุดความจริงเหมือนนั้นประกาศรอนไม่มากน้อยแต่อย่างไรก็เป็นความจิงล้วนๆไ ม, ม่มีปลอมมีแรงมีอะไรเรือแฝมอยู่ ผู้มาปฏิบัติถ้ามีความมุ่งมั่นพยันมันเพียนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในเชื่อต่อมาต่ผมแล้วความเพียนมันกเน็เป็นไปเป็นไปตาสีวันนี้มันอ่อนแอลงความเพียนก็ต้องอ่อนลงแต่ครั้งบุญการท่านบวชมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยตรงนบวชมุงม่งต่อมาผลนี่ผ่านเป็นความพ้นทุกข์เพราะทุกข์มันเป็มเนื้อเต็มตัว มีอยู่ทุกเอียบบทมีอยู่ทุกวาระจิตของความคิดทําไมผู้ที่ต่องการความพ้นทุกจะไม่เบื่อทุกจะไม่เห็นโทษของทุกี๋หรือเพราะแบกถามอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาแต่ละภพภชาแบกถามื่องของกองทุกทั้งภายในการทั้งส่วน จ, จิตใจมาประจำภพชาเหตุใดจะไม่เคยเตุใดจะไม่จิดน้าละอาใจเมื่อมีผู้ที่ในทางบอกทางพ้นทุกเขา พออกพอใจให้หยิงยิยม่มย่องจิตใจมังของใส่ต่ออัดต่อทำมีความมุ่งมั่นฝึกปฏิบัติทำจัดทิเศษของเรื่องความภาเคเพียงเป็นมุด้อยไปไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นสารอากาศสองโคขึ้นมาให้เราทังหายกล่าวว่ารวา้วเนี้ยตั้งแต่พูดตผู้ดำเนินอย่างนั้นเี่ยสาระของพวกเรา ก็ทําทเป็นธรรมชาติที่บริสบิตริแล้วผู้ใดนําประฏิบัติเพื่ความรู้สิจใจแล้วถึงปรากต่อเมาก็เสื่ลงสื่อมลงศา ส, สนาค่อยกลายเป็นประเประเพณีไปเรื่อยเพราะมนุษย์เราเคยชินต่อประเพณีอะไรก็ต้องเป็นประเพณีไงหมดแม้ศาสนาจะเป็นของแท้ของจริงขนาดไหนก็กลายมาเป็นประเพณีตามมนุษย์ซึ่งส่วนใดเป็นอย่างนั้น เหมื่อตามใจประพฤติปฏิบัตลิลรกอมีผู้ตามใจประพฤติปฏิบั ต, ติตามจักตามธรรมตามอัดตามธรรมตามฤทธวินัยตามความสัดความจริงและถือเป็นของแปดเพาะม น, นุษย์ส่วนมากเป็นอย่างเดียวกันไม่เห็นสิ่เหล่านี้งมผูม้ปฏิบัตอิอางนั้นเขาเห็นว่าเป็นของแปดแต่งหูกปร ต, ตาแปร ล, ลูกแปรนิสานเป็นลูปหนังเหมือนกับเป็นหน้าจ้องมอง น, นี่ เพราะใจมุ่งไปมันก็าจจะตปรงใจลงกับใครได้หรือพราะพี่นะามันถึงจะถึงผลตามความจริงซึ่งมีอยู่ในจิตใจแค่แล้วจะตรงลงได้อย่างไงหัวใจและหนามันเป็นอย่างนั้นมันก้าถึงก้าโคตรสิ่นี่อย่างจะมาเกือนร้อยกันมันเป็นอย่างนั้นพังถูก ป, ประเพณีใช่เ น, น, นก็เพียงขนาดนันน้นไม่ใช่ความจริงความจริงไม่ใช่ประเพณี พระที่เจ้าเขาขึ้นบทขึ้นจริงๆปฏิบัติจริงๆเอาจริงเอาสัมความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้เลยการทําก็จริงการบวชก็จริงการทําก็จริงความรู้มันก็จริงมันจะจริงไปเรื่อยๆมนเนีหาทางจริงหาทางปลอมปลอมไปเรื่อยปลอมมันลุธรรคุณยังลุ่้อมอยู่ต่อหน้าต่อตาในอบทั้งสิตทุกขณะจิตคิดออกมานี่ยเรื่องปลอมแปลงทน้งนั้ อยู่ที่หัวใจอย่างเดียวแล้วแปลกงใจนั้นกันแปลกใจที่สอนหูความพวนไปพุ่มเทเราทุ่มติดกำลังความสำมั่งพอทไมาจากใจยิงมาสอนทำไมสอนนี่มก็ได้เรือ่องยาวล้าใครมาคินชาไมย นี่มันจะชื่อระบบข้อมันจะลงมาอวดกันตัวไม่เห็นมีไงเวยมันจะลงอวดกันถ้าเปเงินก็มีแต่บัญชีบัญชีแล้วเขียนว่าเป็นกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านล้านก็ได้ตัวเงินไม่มีเราเรียนชื่อขุนพิเดดจําชื่อขุนพิเดชจำเรื่องอะไรก็ได้เดีด น, เดนกี่กัมพีก็เรียนได้ไม่มีใครต้องร้อง ความม่งตัวขนที่เราจะพูงเลยครับมันไม่เห็นไม่เจอเอราะห้า น, น, นใจถึงรุมร้อนร้อนพรไม่มีความเย็นนั่นเองแต่ใจมีความเย็นอยู่แล้วมันเข้ามา ไ, มได้ความเย็นที่ได้องค์ทำเข้ามาท่งเข้ามาครองภายในใจมากน้อยใจก็เลยรับความเย็นอันนี้จะชื่นเรียกว่า อยากรู้ความจริงหเห็นองคท์ทำจริทำจริงเป็นยังไงเหมือนใครเหมือนอะไรบ้างทำจริงไม่ได้เหมือนอะไรมันเป็เรีเยอ ว, ว่าทำโล ก, กมันก็เหมือนทำทำจึงไม่เหมือนโลกปติ ก็จะไปถอยเราหนักต่อสู้เราเวลานี้เราเข้าสนามเราเราเข้ามาฝึกผลเป็นต้นนักก็หนักพื่อเราเบาพั่วเราผลเป็นของเราเพราะการทํำนี่เป็นงานชอบที่สุดแล้วไม่มีงานชอบอะไรยิ่งกว่างานของนักบวชผู้ปฏิบัติในศาสนาประพฤปฏิบัตรริธรรมอันนี้เป็นงานที่ชอบหนึ่งไมมีงานใดเสมอเลยในโลกอนี้ ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรมไม่อยู่ที่เสียประโยชน์สุขเราทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกทางกายก็ดีทุกทางวาจาอาทางใจก็ดีเพราะความเพียรของเราเนี่เพราะความระมัดระวังการรักษาตรนกันารจิตใจโดยสติการพิจารณาทิดค้นโดยปัญญาต้องเป็นงานทั้นั้นคำว่างานต้องหนักหนักต้องเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยความชอบธรรม เพราะการที่ทำนั้นทำลงไปด้วยความชอบธรรมการคิดที่ด้วยความชอบธรรมความทุกข์แม้จะเกิดขึ้นเพราะการคิดอ่าตใจตรองที่พิจารณาหรือมัดระวังก็เป็นทุกข์ก็นด้ความชอบธรรมผลจะเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นความสุขซึ่งเป็นความชอบธรรมอีป ร, ระเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งเหตุทั้งผลที่เป็นความชอบความอบธรรมด้วยกัน เรามีความอินนาละอาใจต่อความภาคเสียงที่เราจะเป็นธรรมก็เท่ากับเรามีความอินนาละอาใจต่อการก้าวขึ้นไปควบความพ้นทุกข์โดยลำบากลำบากอย่างเราอินอินนาละอาใจต่อการบำนึงส่งเสริมตัวเราให้ตัวเราให้เป็นคนดีขอหาความดีไม่นนได้ยากแต่ไม่ทํายากอย่าหนึ่งแต่ะทําอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถูก เหนียวแน่นความเพียรอย่าล้นละอันทดสอบดูเสมอดูตัวเองใจนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเจ้าเรื่องเจ้าเราเรอยู่นั้นน็อตัวใจทั้งกา ร, เ ร, รเรียนทำที่เรียนที่หัวใจสติก็มีไว้เพื่อใจเพื่อจะดูเรื่องของใจมันเคื่อนไหวไปดีไปชั่วในอารมณ์อะไรบ้างปัญญาก็จะคิดคน้นในเรื่องของใจประจิตไปคล้องเมาโมลในโลกไปโขดไปหล ง, ง, งกับเรื่องอะไร คำวัตถุสิ moment, er. ่งใดอารมณ์อันใดสติปัญญาอามะตามพวกเหล่านี้จึ่งเป็นกระแสที่ออกจากจิตข้างนั้นที่จิจะต้องต่างมันจะตามเรื่องอื่นใดเอาพิจารณาลูปเสียงสิ่งเครื่องนี้ไปก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่เปยิ่งเหนื่อยวุ่นวายก็บสิ่งนั้นจิตจะเห็นเหตุเห็นผมด้วยเรื่องนิยามแล้วถอนตัวเข้ามาในเจ้าหากจะหาเจ้ากรอบเจ้ควเาสิ่งไม่เป็นท่า แต่เป็นพิษเข้ามาเอาอใใ เ, เองินจิตใจทั้งเดีนี่มันสรุปแล้วจะไปที่ไหนก็มีแค่เรื่องจิตอันเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวเรื่องปีปัญญาฝังสมขึ้นมาก็พรวดแตแก้เรื่องที่มีในจิตปีปัญญาในกำลังเป็นที่แล้วมันก็แก้เรื่องของจิตได้หมด ใส่แจ้งเรื่องของจิตเรียแล้วจิตก็ไม่มีเรื่องแล ม, มีเรื่องจะเอาอะไรมาเกลื่อนใจความสุขไม่ต้องหาไม่ต้องบอกไม่ต้องไปถามเมื่อจิตหมดเรื่องแล้วก็สมายขึ้นมาความไม่สบายก็เพราะความยุ่งเหยองของจิตเองก่อเกนตัวเองโดยไม่รู้สึกคึงต้องอาสายเจตีปั ญ, ญญาเป็นเครื่องพิพจารณาเป็นเครื่องจดจอ่อบสองมองดูงควาคลื่อนไหวของตนเพราะรำคาญจิตเพียงจิตเท่านั้นไม่ฉลาด จูไปไหก็ได้ไปท่านเจอจึงจูงเสมอจิตรงนี้ถูกยึดจูมานานมารวมเข้าว่าเป็นเราแล้วเราจึงถูกเียึดจูมานานทำไมใช้สติปัญญาเป็นเครื่องจุดลาบเป็นเครื่องกั้นกางหวงห้ามเป็นเครื่องบังคับแล้วไม่มีทางเป็นดีไปได้สำหรับจิตเพราะโดยลการทั้งจิตเองไม่มีความฉลาดมีแต่รู้อยู่เฉย รู้ว่ารู้ว่าสุขว่าทุกขว์กว้อยนั้นหาทางออกไม่ได้ะเหมือนเด็ดตกน้ําตกน้กนํำตื่นก็ตายเพราะไม่มีจิปัญญาเป็เครื่องนําออกทุกจนตายน่ะเด็กว่านไปยินกอกอะไรอย่าง้กันเราคิดว่าหาทางออกไม่ได้แล้วก็ตายอืม เข้าไปในวงล้อมของไฟทำไมชาติจิตปัญญาเป็นการคิดเพื่อหาทางออกลําพังจิตที่อยากจะออกเฉยไม่สาเร็จแล้วก็ตายอยู่ในไฟตายอยู่ในวงล้อมจะเป็นวงล้อมอะไรก็ต า, <ม>ายแต่จจะิตปัญญาพอยล่องถอดถอนตัว อ, ออกมาได้<ม>ะจิตกับจิปัญญาจึงเป็นคนละอย่างอย่างเข้าใจกันเดียวกันเกิดมาจากนั้นแหละห่าไม่ใช่อันเดียวกัน พิจิตติมันรู้อย่างนี้เรื่กษตรวรู้ถ้าไม่มีพิิตติก็ไปแช่เข้าไปความรู้มันก็ไม่เด็่นไม่ทัดว่ารู้เรื่องอะไรวัดตัวนทําอะไรอยู่ อ, อาศัสติเข้าไปสนับส น, นุนอาศปัญญาเป็นข้องไก่กรองก็ทราบเหตุทราบผลหนักเบาลุกตื้นอย่างละเอียดได้ก็ปัญญานาพังพิจิตรเฉยไม่ทราบความกลิ่นความยากความละเอียดมันจะยืด้ืดเฉย พิจาาเข้มันจะเห็นได้ชัดเรื่องเหล่นี้แตมาพูดของคนปางไม่รู้เรื่องเพราะคมไม่เคยเรียนเรื่องของใจพูดซ้ำจะรู้เรื่องได้อย่างไรครูปฏิบัติแล้วแน่เป็นคููจะรู้ปฏิบัติต่อใจจะต้องรู้ไม่มีนี่แล้วเพราะเป็นความจริงเหมือนกันพญาก็คปความจริงหนึ่งสติก็เป็นความจริงหนึ่งใจก็เป็นความจริงหนึ่ง สิ่งที่แท้อยู่กับใจแต่และอย่างอย่างก็เป็นความจริงเหมือนกันจริงต่กจริงเข้าถึงกันแล้วมันก็ต้องได้ความในเวลาเข้าพรรษาเป็นเวลาเป็นโอกาสที่ดีขอให้าขอขอพาหประกอบความภาคเพียรแต่เห็นแต่ความขี้เกียจมากงา่ายมีเราโอกาสที่เข้ามาสั่งสมคุณงามความดีการบวชแม้จะบวชถึงระยะ ก, การก็ตาม นิยายนี้เป็นนิยามที่เราจะบำเป็นตัวของเราทุกยากลํบาบากขนาดไหนท่านก็คนเราก็คนอเราทุกท่านก็ต้องทุกท่านทําไมคนได้เราทําไมทนไม่ได้ท่านทำไมมีความขายันเมตเพียรท่านทำไมทานอดทนได้เราทําไมอดทนไม่ได้น่ะอบบายวิธีสอนตนถ้านเราจะคิดถูกมันจิตมันอ่อนแอมันอ่อนเป็นรวดเดียวนะใจข้อมีข้อตัวเรื่อยิ่งไปเสริมมันทันตงนี้มันก็ไหลเลย โอ้เรามาอยู่ที่อย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะรับความทุกข์ความลาําบากอะไรๆก็มันเป็นไปตามใจชอบเนี่ย่ทําใจในี่อ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วเกิดความลําบากเกิดความลาคาญขึ้นไปใจเหมือนกในห้องขังวัดทั้งวัดกับกายเป็นเวรนจําขึ้นมาเพอาใจิตใจสร้างอุปสรรคสร้างข้อข้อสร้างหนาซึ่งเกิบแกงตัวเองให้ได้รับความเดือดร้อน มันต้องอมนันระวังความคิดเหล่านี้มันจะหาความดีต้องมุ่งต่อความดีมุ้มาน่าต่อความดีสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งหลอกลวงหลอกให้เราท่าถอนท่าความเปลี่ยนความปบความตัวความรู้สานพานมันหลอกมันจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วมีแต่กองทุก ถูหล อ, อกถูกตมมาคอยแล้วเเรื่องนี้คหลอกแล้วมาเล่าใหเ้เพอนังนี่หลอกมายัางไง เ, เรื่องมาแลวแล้วแก้ <S <S มายังไรเราก็อธิบายให้ฟังหน่อยท่านอธิบายวิธีแก้เสีงนี้ก็อธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วแก้ด้วิธีใดได้ไดที่ใดกน้ากินมันตัดยากลาบากเพาปากเพท้องใจกิงก็ยุ่งไม่ได้ คือบางระเภตุของคือ้องเพเหตุออกกลางวันเคยทางไหนทางไหนนี่เป็นหลักธรรมชาตินะกองที่เกี่ยวข้องกันแต่รานี่ยเขามีรองานบโรงเรียนพอแม่เคยเป็นมากองคือหาดินคืออาหาคือเป็นหลธรรมชาติเช่นแย่อะไนี้ใครมาบอกมั้งต้องรอนเปิดมาเป็นรักันรลมมาจากที่ไหนถึงเวลามันเข้ามันนึงเข้า ยี่เดือนมันก็เข้าไม่ต้องไปบอกไปสอนกันมันเข้ามันเองตัวเล็กๆมันก็เข้าอือเป็นธรรมชาติของมันทางภายาเร็วๆมันเข้ากลับหลายเดือนมันจะออกตัวเล็กๆก็กินก็ก่อนพอเป็นไปได้แล้วออกโอก็เข้า15วันก็มีเดือนก็มีบางตัวที่สามสี่เดือนก็มีนะแต่มันตัวใหญ่พอถึงส่วนมันเข้าถึง เป็น where, ปเดือนๆก็มีแต่ตัวเล็กๆเข้าสห้าวันกว่านี้เราดูนี่เก็นดูเป็นทุนชาติของใครของเราข้างาเราทิ้คืนกาใครบอกมันมันถนัดอย่นั้นมันบอกอย่างนั้นถนัดในหัวใจของสัตวถนัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านส่วนด้างการและจิตใจของสัตว์ที่อยูกข้าจริงกลางคืนหรือกลางวันเป็นความถนัดเองโดยทีมีใครบอก เรามีส่วนไหนที่จะดีมีแบบมีแขนตเกิดมาเรียนอย่านั้นก็มีมีความรู้ความฉลาดเรียนกับพ่อแม่เรียนกับพ่อแม่เรียนคาพูดคำจาเรียนภาษาเรียนชื่อนั้นชื่อนี้สมมติประโยคนั้นมากระทรวเข้าโรงเรียนเพื่อความฉลาดเดือนนี้ได้หนึ่งไม่แล้วแต่วความรู้ในโรงเรียนไม่พอโดดทหารเรียนบางนู่นบางนี้กพรความฉลาด หลานนั่นยังไม่ฉลาดอย่างนี้เราเรียนน้่นก็จะไม่มีอะไรเหลือติดตัวพ่อแม่ตุนจุนไปด้วยเพราะการเล็ยนยูกมีเยอะกินไม่พอปะกไพอท้องแล้วนนั้นมัเกิดผลประโยชน์เขาทิดควรทีเกิดประโยชน์ของมีส่วนมากมันเป็นอย่างนั้ น, นเรนคริก เอาความรูม้ด้วยความสนใจมาผลพิบัติบัติบัติบัตบ้านต่บมเมืองอติบัติบัติบัติบจติบัติบัตมบัตเบัติบัติบันิบัติบัติกันิบัติบัต่บัติมัติบัติบัติบัติบัติบัติบ่ติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติบัติคัติบัติบองิมมอองอบัติบัติบัติบัติบิบัติบ ไม่พอเลยันลืมตัวอย่างนั้นเาเพอกันง เ, ย, เ ย, น ย, ย็นอไปยเห็นเรื่องขาก่อนที่พิาพิจราเองอีกวันห น, น, น, น, น, น, น, น, นึ่งวันหนึ่งมันไม่ดอยู่พิจารแต่เห็นอะไรดไม่ได้มันต้องพิจารา ผมไปศึกษาเรียนมาอะไรไมาไปไปเรียนโ ม, ม้เนยไม่ทำตามเรียนหรือยังไม่าฉยม่ทำใจจะมาทำประโยชน์เอ า, าความรู้วิชามาเป็นเครื่องมือแต่พาไปปฏิบัติแล้วทำไมไมันก็ไม่เลยใครเรียนอะไรมัเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์ด้วยกั น, ลนหลักวิชามันก็มีหลักมีเกณฑ์ ผู้เรียนนานยังมีหลักมีจริงปฏิบัติมีหลักเกจริงทำไมต้องเกิดผลเกิดประโยชน์ยังยเอาผลเป็นหลักเปนน็นจริเลยมาทั้งโลกลทางธรรมก็เหมือนกันเลี้ยป็นกีน่ประโยชของฟวามมัไปเอาได้ชื่อนะัน้นตุนตลมมันก็เอาเมื่อหนังมันกจจินนีเป็นงนั้นมันเป็นแบบเยอะกันหมดความใจคือปฏิบททัติมันเหมือนกัน ดูหมาดไอ้ผลมันตันงใจมันตัวมันขี้เกียดมันยากอันลำบากมันไม่อยากทำเอาแต่ชื่อมาพุงมาอวดกันแบงนั้นพมุนพงนั่นคุงนู้เท่านั้นเท่านีน้แต่ความรู้อะไรความรู้เบาบ่าฮ่า <c oughs> ี่นิะาหลดของเ การจะไปปฏิบัติตามทกษฎีเราเดีย<ไ>นมาทั้งโลกทั้งธรรมนยทำไมไมันจะไม่จะลยตัวเองทำไมจะตั้งเนี้ยตั้งตัวไม่ได้ทั้งโลกก็ตังได้ทั้งธรรมก็ตั้งได้<อ><อ>มันไม่มีจริงจังมาโยนเข้ามาพวกเราปฏิบัตินะมากรรมฐานกรรมฐ า, า น, นมันไม่ย้อกรรมฐานกรรมฐานแบบไหนนี่กรรมาร<โ>นตัวเองมั่งยื้อเป็นอุบายวิธี ให้นําไปสอนตนนั่นไอ้ตั้งใจจะดูหนาหรืว่าทำหายเลยฐานน้าเป็นครูเป็นอาจารย์หาบไปสอนให้นําอาวางไปสอนตนกรรมฐานอะไรหรือว่าสเวลานี้เขายกย่องไวอย่างนั้นมย่างนี้ตัวนายมีสงคําเขายกย่องไหมถามตัวเองั้างมันก็รู้เรื่องตัวเองเพราะเรื่องมันอยู่กับตัวสร้างปัญหาขึ้นถามเรื่องไหมันก็ได้เรื่อง เกแบบว่าเอาแต่ชื่อกรรมฐ า, านว่าทำจริงไม่ได้ดีเอาแต่ชื่อกกรรมฐ า, านแบบกดสะพายบา่าไปนู่นไปนี่เขาว่ากรรมฐาน ต, นตาานนนนื่นต่ล้มอีกอนี้เขล้มหนึ่งยั่นไม่มีเรื่องมันอลมมไม่มีตัวอย่ง น, นัน้นแลยจ้ โลกก็ไม่จเจริญธรรมก็เสือ่อมตัวกว็คิดถาไม่เจิดประโยชน์อะไรวันนี้เขาชมนะวั้นจึงว่าอย่าลืมตัวเขาพูดเต็มปากเราได้ยินเต็มหูเขามาวันไหนมันเหมือนมันตัวันตาดมันตัวันตาดเครื่องคับเขาวางนั้นมันเป็นคำพูดของประชาชน พอมันตันเคลื่อนท่าจำหาบัวนั้นดุเขาพูดอย่างนี้นี่เขาพูดในฐานะที่ว่าเขาเป็นิุย์ดูหาออกมาพูดให้ฟังนำเรื่องของคนอื่นมาพูดให้ฟังสำหรันเราไม่สนใจอะไรยิ่งไปกว่านี้ผลการตำหนิการชมนั้น่ะเราพอจะฟังเรื่องกันเสมอกัร เพื่อเอาเหตุเอาผลจากการติดการเพ่งโดยที่คำว่เ า, าเคร่งท่านเขาพูดตามที่เขาไม่เคยเห็นที่เ ค, คร่งครดยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นหือยิ่งกว่านี้เขาไม่เคยเห็นเขาจึงพูดอย่างนั้นเป็นความเฉยเคยเป็นความพอใจของเขาในจินตนมากเราอาจจะดื่มเนื้อดินมตัวไปก็ได้ ควรน่เครครับเหมือนอย่างเขาว่านั่นลืมตัวท่องท่องที่มาในเคร่งครับที่นำหมูลล น, น้องคณะมาทุกวันนี้อยากเข้าใจว่าเคื่องครับผมไม่ไปพูดให้หมูขึ้นตังเส ม, มอว่าผมย้อนยานเต็มเต็มที่แล้วหย้อนยานกับหมูกับคณะมันเรามีความย้อนยานอันรวมกันโดยโดยนั้นแหละดูเอาหูไม่ได้ว่าว่าผมย้อนยานให้มันมันก็อันรวมให้ โดยในโดยในยักในยักอยู่เรื่อยที่เห็นมันมันก็นจะอ่อนแปอ่อนไปอ่อนไปบวกเปียกไปครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมากเมื่อก่อนท่านใมนเป็นอย่างนี้อ้าวไม่ได้เป็นเพรเหตนลายคาว่ามัแต่ว่าครับประานที่อยู่ท่านทาไมรู้รู้หลานานะ ตามแค่ตามกดตับเล็กๆหลวงตัวหรือในป่าให้เขากระาพวกก ร, ร, ราราตามมันนอกขอคาเมไปอย่างนั้นหันตามประเภทเขาให้บางทีก็ได้จตเข า, เเ า, าบอกต่อมันฉั น, น, น, น, น, น, นกระวบท่านนั่งนน้ายไอ่านได้ผูว่าจำหลาที่ไปสักท่านอยู่สัดท่านแล้วก็นำ พว่าท่านจะปฏิบัติคล้ายถึงกันนั่นแหละนั่นแหละท่านอย่างนั้นนั่นแหละแขงดวอยู่ด้ว ย, ยความปนาจขาดแชนอะไรไม่มีหรูหรามหาการฉันก็กดมืออีก ม, มือไป้องทีไม่ฉันด้วยความสมัครใจเองบางทีก็มีแต่ข้าวเปล่าบางทีงออกคลิปแล้วก็หอหนนะึ่งบางทรทำพลางพลาใไ คลิกอะไรให้แต่รานเป็นร้านดิบๆสดๆนี่มันไม่สุกมาทัาไม่ได้อันไมเข้าเปล่าวแต่อมานี่เด็ดยุดเด็ดดวงแลวเกินดีไปมอรู้รลาหลาอย่างผองเราคือก่อไครต่มีอะไรทาก็ไม่มี นี่ลากไม้และทะ้ทาจะต้มท่ต้มลากไ ม, ม, ม้างไม้ตอนนั้นก็ไม่มีต้อมอาน้ำด้วยเฉยแอบนี้ผู้เก็ต้มทีก็เอาใบ ไ, ไม้หั่นเป็นใบแดงบ้างแดงอะไรเอามาถ า, างไฟเอาไฟกรอบแล้วก็ทิ้งลงในกาน้ำกาล้าร้อนขันอยูอในข่าหน้าจะขันขนะ แต่สนมากทำมาคอยสนใจเราแล้วีิดูนการรู่ท่านระเดื่องนั้นแหละต้กระแทกไปอะไรไม่มีรู้ห ล, หลางาก่านมีสมบัติเอย่างว่าท่านที่งอยู่เจ้านาคณะก็แบบที่ว่านีสมบาติของนั้นน่ะไอ้การเข้าปากของเขาได้แล้นไะมกินมากมังเงินเก็ไม่รู้ยรอกอะไรเขาเปล่าใจเขาแล้ว ฉันมันไปแต่ความเพลินไม่ถอยเพรว่าปฏิบัติเด็กเดินยาแก้ไขไม่ต้องถามว่ามีหรือไม่มีมีอะไรจะติดย่ามเลยอย่างโอหัวทน้าเลยอะเป็นกบทเป็ น, ปนตากระตาไขา่กบไ ข, ข่หายกา็หายไม่หายก็ตายอย่างนี้ผมเคยผมเคยเหมือนกันย า, นยานยไม่มีติดย่ามเลยมต่ก่อนไม่มียามากกว่าพิมิน ถ้ามานมืองโรคพิมินเป็นโลกอะไรก็ไปทำนี้แต่พิมินไขวมปไม่ใช่เรื่องทีไม่ใชไข่เหมือนเดียวกันมีอะไรติดยาอะไรยาแก่ท้องแก้อะไรทั้งหมดนี่น้ำชากลาบแย่เดี๋ยไปถามน้ำอ่อยน้ำตาลเดี๋ยวไปถามน้ำส่มน้ำหวานปูกาโฟโรราเดี๋ยวไปถาม อยาที่เราเห็นนี่กโก้โกาแฟนี่อย่าไปถามนี่ไ ป, ปาถารูมก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นควาอฉันแล้วหายเงียบเลยจันนั้นที่ทยีงไม่มีหายเงียบนั่นเท่นจริงนัานลาวิธิตันปฏิบัติแต่ก่อนปฏิบัติอย่างนั้นนี่มาเล่าความเด็นอุกเทศนนะ์เด็ดด้วยในตาในเขา เหลือชุมมากปกสัตวกเสือมีเยอะพอไปที่นั่นแล้วก็มีบ้านคู่บ้านคนมันเป็นป่าจริงๆไม่เหมือนทุกวันนี้ที่มีแต่ป่าคนที่ไหนจะมีแต่คนเลือกงป่าคนนแล้วเต็มไปหมดหาดงหาป่าไมาจ้จริงๆไม่มันมีมันไม่มีอย่างนี้ถูกทานาไปมั้งทำไรทานาทำรุำ่งทำสวนปลูก บ, บ้านอยางที่เราเห็นนั่นแหละ สัตว์อะไรหลายตัวไปกินมดมีอะไรเรไหลือขัดบกก็ติดหายขัดน้านก็ตายมีพิษพิพาเดินตามแบบต่ไม้กับบ ม, กกมทําว่าเสือเลยจะไม่เห็ น, นทุกวันทานไปดูในสวนสัตว์แล้วไม่มีเสือหมีอนี้เป็นก้น<ม><ม>แต่ก่นเต้นไปเรื่อย่างนี้เนี่ยเตย่างนี้อยู่อย่างไรหันๆได้เด็กเดียว เพ็นงก็เดินทางของตายทีมนนั่งคุยธรรมะกันอยู่เสือตกใจเดินตามหลังกันมาเห็นมามันตามหลังไฟไฟจะเข้าบ้านตามมาเบี้ยงงงงงมาข้างๆคนมองไปเห็นเห็นเห็นกระลาฟ้าเสือโค้งใหญ่นะมันไม่ได้กลัวขนเพราะเสือมีมากกับมากนี่นอนนอนมั่งนอนมาก เวลาบางทีก็อาทั้งคืนไม่นอนมีความเปลี่ยนกันนั่นแหละทันเดชที่หนาวนี่เราไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นชาบ้านเขาไม่เห็นตตแต่ว่าป่าล้มตากันแบนี้เขาเข้าใจว่าป่าล้มตัดเครื่องฆ่าเมื่อเทียบกันแล้วกับเรื่องที่กล่าวมานี่ น, นนะมันเป็นคนละโลกแล้วเวลาเนี้ว่าป่าล้ตักับการบรรยายนันนยย่นที่อธิบายมา ของสุบาสะเนี่มันผิดเป็ น, นโลกเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมตัวอย่าดีใจคือยินงเขาชมว่าเราต่ อ, อต้านปฏิบัติเครื่องเรากล้าวมาสูวัดนี้เราก็เพ่งฆ่าแต่ลืมตัวไป น, นี่ผมยอมยันถึงสุดแล้วก็หม ด, ด, ดนนตัวแล้วยอมยันจนบางทีเรารู้สึกหนักใจถ้าผมยอมยานยิ่งกว่านี้แล้วผมก็อยู่กับหมุดเคลื่อไม่ได้ ผมต้องหลบหนีไปอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นกังวลไม่จะไม่มีอะไรหนักใจเพราะการรู้การเห็นความประติดและต่ำของหนูเพืออยู่คนเดียวได้เห็นไรงั้นส บ, บายนี่ยเล่าเรื่องอาหารฤดูทียวุ่นวับเราอยากได้น้อยเท่าไหร่ถ้ามาทานทุดงเก็จะเอาเน้อน้อยแต่มาเทาร่าก็จะขัน นี่น่อนเลยมันกี่บาทอะดูดิมาถึงกลาคงค่งนานั้นต้องถ่ายบาทใหเต็แล้วมานี่เต็มอีกโล้นอีกเวลาไหนหนาแรงหนาฝนก็มีไม่อดไม่อยากเหือเพื่อที่นไม่หวไม่ไหวทำแล้วมันเจริญง่ว ม, มีเร่งมมากทําันเลยแต่นี่นมันช่องขาวขาวมัายแค่ท่านดื่ข้ามันอาน้ำมข้าวตา แต่เวลาน้ำท uh ่วมมากมันก็ตายให้เราก็สายหารกันรับทานนี่ยหลามันมีชีวิตถ้ามันมากมันท่วมจริิงก็ตายเจ้าเราไม่ตายทาก็ทิพายนักงรนี่เนากาอุาวามน่ากินไห้ที่แบบไม่ิดที่แบบเป็นมัิมากนเป็นยางไงสอนยัไ กรประาสตว้คตเนมตังวิการรู้จประมัเคือเรา้เรากำหนดเราเองสิ่งหนึ่งคนอื่นกาหนดให้ไได้คือต้องเป็นผู้มีความยัยั้ารกำหมดตัวเองกับตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วควรปฏิบัติงานกับอาหารปัจจัยทั้งหลายปัจจัยสี่วิวรณธรรมะเทนะวิรานเทขับเรจะควรปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์ แต่ตัวเราเองสมความหมายที่เรนมาปฏิบัติกาจัดที่เด็ดขาว่าที่มีัใจเพื่อเพื่อนคักบวามเปล่าของเราพิจารณาเราเองาคิดว่าอายแล้วก็จำเขาว่าวันตากันตากเตดอนกันมันไม่สืข่าวอย่าง้อายรอมา่นี่เพื่อคขัดจริงๆเป็นยังไงเราเคยมาล้วเคยเห็นเคหร อยู่ในเตนท์นี้ก็เราก็เราเข้าจะเออย่างอื่นเอาที่อื่นมาเทียบแต่เราก็เอามาเทียบนั้นมันจะทําให้เรานอนใจพอใจว่าเราดีกว่าเขาดีกว่าคนอื่นนั้นนอนใจนั่นแหละคือความเสียของเราความดีเราไม่ใช่จะเอาดีเพียงเท่านี้เราใช้มันยิ่งกว่า น, นี้อะไรมันจะดีก็หนุนขึ้นเรื่อยเรื่รมีเป็นความถูกทํา กานั่งของนา ม, มันงกมัง่วงยังไงหาวาิธีพิการเกลี่ยนแปลงตัวด้วยสติปัญญาถึงจะถูกปไปในผลเดินไปยังไงยืนยังไงนั่งยังไงต้องคัดสอบแต่ของก็เหมือนอะไรอี่า บ, บทไหนดีเวลามันจะเกิดความง่วงมามันทั้งทีเราก็ยนอนอยู่เป็นเมื่อยเยแล้วมั น, นง่นวงหาอะไรต้องหาวิธีประมัน มันหิวโยเป็นที่ไม่เลาพันองก็เป็นธรรมนาของผาดขันต้องพักอ่อนเราก็เห็นใจเราเองเขาเป็นอย่างรเ น, นข้างขางขันพอปล่อยห้มันเป็นไปตามยอดขงมันก่อนดีก็มีทำพักผอนหลับนอนเป็นธรรมนาแต่นอนลแล้วในเราไหรจะยิ่งเดือดิชาหมูเพิ่เพิ่มขึ้นซบแตคะแนนตวิชาหมขึ้นเขียงหนังแย่อย่างนั้มีวิชารำแผลอยู่คนคนตุ่ย เป็นความมันตัวเองเอามาพิการเป็นการต่างๆทาเป็นของเลือกของเจ้เสิอการำปฏิบัติทำแบบเป็นรูปคำคกคำลงคำขาวทำาปเรื่อยๆมันหลุมดอนดอนมันไม่เข้ากันได้ไม่ทางก้รเข้าใจมีความจริงคํามตางความจริงความตัางนี้นอกจากจะรับประโยชน์ในการกระทํา็นแล้วมันเป็นนิสัยอีกสมมติว่ามัมีความมั่นคงในศาสนา เราปฏิบัติเป็นในทางคารวะเราก็พดฒนีความอดความทนแล้วเรากพัฒนาในใจในตังเราว่าใจนี้ต้องมีผู้ปกครองมันมีผู้ปกครองเป็ น, ป น, นตั้งยังได้จะให้เป็นโดยตามอยาดความอยาดนี้คือเรื่องของที่อยู่ที่จะทํำตัวให้ตลัตามลงไปแล้วอะไรที่จะมาขีนล่างหรือครับไล่สี่งตทางๆแบบนั้นได้กคือสติปัญญาเราก็ได้ น, นาําำนี้มาใช้คนเราถ้ามีการย่างช่างโัด้ ด้วยเหตุกกมีเรื่อมีโรคความเดือดเดือดทำก็จะเดือดอย่างลำพังใจทั้งนั้นไม่มีอะไรปกครองแล้วอยู่ไม่ได้ต้องจมไป ก, กับสิ่งต่าามทั้งหลายทำมีสติปัญญาคอชุดคอยร้ำเอาไว้เสมอคอยอุดคอยหนุนอีกฌามไปรเรื่อยๆนันก็พอเป็นไปใจเป็นสิ่งที่ติดกับหมได้ ถ้าสงบแล้วมันสบายถ้าไม่สงบแล้วไม่สบายนะมันเป็นไฟทั้งกองเลยหัวใจพระเนี่ยหัวใจเราเนี่ฝึกไม่ได้ร้อนก่อร้อนกวนกวาดอยู่อย่างนั้นเนี่ยวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีมันฆ้ามันนานวันคืนถ้าอย่างนั้นก่อนมันติดกลางเลยอนะ่ะจิตมีความสงบจติตมีความมุ่งมั่นในจิตใจจิตเนื้ออยู่แล้ว มันคืนเดือนปีมันล่วงไปล่วงไปเหมือนล้วนเลยแล้วเกิมองไม่ทันที่เราต้องไปกำหนดบยหนเวลาม่ต้องสนใจกองมันนใแต่นาทีการงานมันคืนเดือนปีร่วงไปล่วงไปเร็วที่สุดแหละใจสงบอยูนเย็นไหนมันก็เย็นนั่งก็เย็นเดนเดินเนินอนก็เย็นใจสงบคือเพรรละ คก็คือใจนม้มีเรื่องเคลนัวของคิดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางก็คิดไปทางเรื่องราคากลุ่มอาหารมันก็ไม่คิดมันมีแต่ความไ่งใจมันอิ่มมันก็จะบางมาันไม่หิหวโหยแ่อารนะอานนอนมณ์มงบก็ทําแลนเหมือนอย่างคนนอนหลับมันจะสํายผิด้งบก็เหมือนกับที่เด็กมันนอนเนี่ยนจิตภายในมันไม่ออกเพลินผาดมันก็สบายัา่ตอน ำสำคัญคการปัญญามัคขวี้เฉียวขึ้นมาขุดค้คนขึ้าวาันแหลกระเดยลํานักลำหนักมีอยู่มากน้อยเป็นงใดในหัวใจพื้ น, นขึ้นมาขึ้นมาค้นขึนมาตัดัแหลกไป แ, แ, ลแหลกไปโดยลำหนัหนักจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจนั่นแหะมาลงมาสุขยิปานังปะมังสุขขังท้ายมาที่จิตดวงที่บริสุทธิ์ต้องล้วนจากที่เดิมอาชวะเพราะปัญญาคาความวิเศษิปัญญาธรรมานี้เราจะหมายเอาอะไรเป็นตะมังสุขขัง มไม่เห็นมีอันใดที่นอกประจากสจิที่บริสุทธิ์หมดจดสุดส่วนเป็นประมังสุด ข, ขั้แล้วไม่เห็นอันใดที่จะมีความทุกข์ลาบากที่สุดยิ่งกว่าจิตที่ครอบครุ่ที่เด็ดเต็มหัวใจเรามองเห็ษ์ตนี้พี่นาคก็เห็นหนักที่นี่อนักอีกนี่เป็นขั้นพยายามทุกองค์ทุกองคเราไม่มีคุณค่าอยู่กับความอกคลุมมีคุณค่าอย กับใจการมีความสงบเย็นก็มีคุณค่าเย็นขนาดไหนทําตัวให้ดีขึ้นเท่าไรก็มีคุณค่าขึ้นไปนอกนั้นมันเป็นโดยจับมือวานอปนเครื่องประดับใจถ้าใจดีสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องประดับถ้าใจไม่ดีสิภายนอกทั้งหลายก็กล า, ายเป็นเครื่องทั้งหลา ย, ลายเจอามากมาแล้วมันเป็นขันเป็นโหมถ้าใจเป็นขั้สุดนี่ตองมัดระวังแล้วผาใจให้ได้ใจนีเ้เราจะฝิก ในโลกทั้งสามไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่กว่าใจการทรมานจะยากกั่ามากกตามพอเราจะทรมันเพื่อเราทรมานไม่ใชยทรมานทรมานกิเลสต่างหากดับกิเลสต่างหากฟาดฟันกิเลสตัางหากตัวขรนนงเราไม่ได้ฟาดทำเมฆทำลายใจเขาจะไปทำลายได้ทำลายเรศินที่มันแทรกซึมใจในรับความหมุนล้อนตัางหากเพราะนั้นความทุกข์ทุกข์เพราะการทาลายกิเลสต่างหากจะเป็นความเสียหายที่ตรงไหนยิ่งควร พยายามอย่างนะนิ่งแอ้เอาแคนี้ไปก่อนอตอบไปให้ค่นปัญญาละที่บังหยู่บนฟัง